ขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพานฌานสมาบัติทั้งหลายนอกจากจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานแล้วบางครั้งท่านยังเรียกเป็นนิพพานโดยปริยายคือโดยอ้อมหรือโดยความหมายบางแง่บางด้านอีกด้วยเช่นมีพุทธพจน์รัดเรียกฌานสี่อรูปฌานสี่ สัญญาเวทาอิตานิโรธหรือเรียกอีกอย่างว่านิโรธาสมาบัติหรือนิโรสมาบัติธรรมะเก้าอย่างนี้เรียกรวมกันว่าอนุปพาวิหารเก้าแปลว่าธรรมะเครื่องอยู่ที่พระนี่งต่อกันขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นตามลําดับหรืออนุปพาวิหารสมาบัติก้าแปลว่าธรรมะเครื่องอยู่ ที่พึงเข้าต่อกันขึ้นไปตามลำดับมีพุทธพจน์เรียกแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าเป็นตัังคานิพพานคือนิพพานด้วยธรรมะคู่ปรับหรือนิพพานชั่วคราวบ้างทิตธรรมนิพพานคือนิพพานเห็นทันตาบ้างสันทิฏฐิกะนิพพานคือนิพพานที่ผู้บรรลุจะเห็นได้เองบ้าง แต่ถ้ายึดเอาการได้ฌานเป็นการบรรลุนิพพานแท้จริงก็กลายเป็นมิจฉาทิฐิไปกุทธพจน์ตรัสเรียกฌานสี่อรูปฌานสี่และสัญญาเวทายตนิโรธเช่นข้อความในบาลีว่าภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศ ล, ลธรรมลาจนถึงเข้าถึงปฐมฌาน แม้เท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกว่าเป็นทิฏธรรมนิพพานดุบาริยายคือโดยอ้อมหรือแง่หนึ่งภิกษุก้าวล่วงในวาสัญญาณนะสัญญายตนาะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอก็หมดสิ้นไปแม้ถึงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงปฏิเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมนิพพานโดยนิ ป, ปริยายคือโดยตรงผู้ที่กําลังเจริญวิปัสสนามองเห็นขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอันจะต้องพันแปรไปเป็นธรรมดาละความโศกเศร้าเป็นต้นเสียได้หมดความร่าดรนกระวนกระวายอยู่เป็นสุขท่านก็เรียกว่าเป็นผู้ตัดทางคนนิพพาน ความตรงนี้ไม่ตรัสถึงอนัตตาอธากถาว่าเป็นการเจริญวิปัสนากิเลสดับไปด้วยองค์ธรรมคู่ปรับคือวิปัสนามีพุทธพจน์น่าสนใจแห่งหนึ่งตรัสว่าคนที่ถูกราคาโทสะโมหะครอบงำยอมคิดในทางที่จะทำตนให้ลำบากเดือดร้อนบ้างทำคนอื่นให้ลำบากเดือดร้อนบ้าง ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้ลำบากเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายบ้างยอมเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างรั้นเขาละราคะโทสะโมหะได้แล้วเขาก็ไม่คิดในทางที่จะทำตนหรือทำผู้อื่นหรือทำทั้งสองฝ่ายให้ลำบากเดือดร้อนไม่ต้องเสวยทุกโทมนัสทางใจอย่างนี้หละเป็นสันธิทิกนานิพาน เมื่อใดบุคคลผู้นี้สวยภาวะปลอดราคะสิ้นเชิงภาวะปลอดโทสะสิ้นเชิงภาวะปลอดโมหะสิ้นเชิงคือราคะไขโทสะไขและโมหะไขอย่างนี้แหละคือนิพพานที่เป็นสันทิทิกะคือซึ่งผู้บรรลุเห็นได้เองอากาลิกะไม่ขึ้นกับการเอหิปสิกะเชิญให้มาพิสูจน์ดูได้ โอปัญิกาควรน้อมเข้ามาไว้ในใจปจัจจตังเวทิตัพังวินยูหิซึ่งวินยูชนพึงทราบจำพอตนคำภีปฏิสัมพิามักแบ่งนิโรธซึ่งเป็นวัยพ์สำคัญของนิพพานออกเป็นห้าอย่างหรือห้าระดับคือหนึ่ง วิคัมพนะนิโรธได้แก่การที่ผู้เจริญปฐมฌานดับนิวรณ์ได้ด้วยการข่มไว้สมาบัตทั้ง8คือรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่เป็นวิคัมพนะนิโรธทั้งหมดเรานับแต่เข้าถึงปฐมฌานแล้วเป็นต้นไปอกุศลลธรรมทั้งหลายมีนิวรณ์เป็นต้นย่อมถูกข่มให้ระงับดับไปเอง แต่ก็ดับชั่วเวลาที่อยู่ในฌานสมาบัติเท่านั้นพูดอย่างง่ายว่าขมธรรมะที่เป็นค่าศึกคือกิเลสต่างๆเจนนิวรณเป็นต้นได้ด้วยโลกิยะสมาธิเป็นการดับกิเลสแบบเอาหินทับหญ้าคำพีปฏิสัมพิทามักเรียกวิคัมพนะนิโรธแต่ในอัธกถาเรียกเป็นวิคัมพนะปรินิพาน ส ต, ตทังคนิโรธหรืออัตถกะถาเรียกว่าตัทังคาปริณิพานได้แก่การที่ผู้เจริญสมาธิถึงขั้นชํำระทำลายกิเลสคือนิเพธภากิยาสมาธิหรือเท่ากับวิปัสนาสมาธินิเพธภากิยสมาธิแปลาตามแบบว่าสมาธิที่เป็นไปในส่วนแห่งการชํำระสัจจะ วิปัสนาสมาธิแปล ว, ว่าสมาธิที่ประกอบด้วยวิปัสนาสมาธิที่เป็นไปเพื่อวิปัสนาหรือสมาธิที่ใช้กับวิปัสนาตัังคานิโรธหรืออัตถกาทถาเรียกว่าตัังคาปริณิพันธ์ได้แก่การที่ผู้เจริญสมาธิถึงขั้นจำแรกทำลายกิเลสคือนิเพทาภาคิยะสมาธิ ดับความเห็นผิดต่างๆลงได้ด้วยธรรมะที่เป็นคู่ปรับกันมาถึงการดับกิเลสในขั้นวิปัสสนาคือใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะของสิ่งทั้งหลายเช่นพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้นพิจารณาเห็นแง่ใดก็เกิดยานขึ้นกาจัดความเห็นหรือความยึดถือในทางตรงข้ามที่ขัดต่อสัจธรรมในแง่นั้นๆลงได้เช่นกาหนดเห็นตัวตนเราเขา เป็นเพียงนามรูปก็ดับสักกายทิฏฐิได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็ดับนิจสัญญาได้พิจารณาเห็นทุกข์ก็ดับสุขสัญญาได้พิจารณาเห็นอนัตตาก็ดับอตตสัญญาได้เป็นต้นเป็นการดับกิเลสแบบจุดดวงไฟดับความมืด แต่ก็ยังเป็นการดับชั่วคราวเหมือนว่าพอไฟดับก็มืดอีก 3. ส, สมุทเชเทนิโรธซึ่งในอัตถกถาเรียกว่าสมุทเชธาบริณิพานได้แก่การที่ผู้เจริญโลกุตระมักซึ่งให้ถึงความสิ้นกิเลสดับกิเลสลงได้ด้วยการตัดขาด หมายถึงอริยมรรคทั้งสี่คือโสดาปติมรรคสกัธาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคซึ่งดับ ก, กิเลสเช่นสังโยชน์ทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาดไม่กลับงอกงามขึ้นมาได้อีกเหมือนต้นไม้ถูกสายฟ้า ฟ, า, ฟาดหรือกุดรากถอนโคนทิ้ง 4. ปฏิปสัสสินิโรธ ได้แก่การดับกิเลสในขณะแห่งผลโดยเป็นภาวะอีกิเลสราบคาบไปแล้วมาถึงอริยผลทั้งสคือโสดาปติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลซึ่งเป็นภาวะสงบเรียบซึ่งสนิทเพราะกิเลสได้ถูกมารตัดขาดระงับดับสิ้นไปแล้ว หานิสสรณ ะ, ะนิโรธได้แก่การดับกิเลสที่เป็นภาวะพ้นออกไปแล้วจากกิเลสดำรงอยู่ต่างหากห่างไกลจากกิเลสไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเลยนิโรธข้อนี้หละคือนิพพานหรือที่เรียกว่าอมตะธาตาาธุซึ่งเป็นภาวะที่ปลอดโปรง่งเป็นอิสระ ในนิโรธหข้อนี้สองข้อแรกคือวิคัมพ น, น า, านิโรธและตัถังคานิโรธเป็นขั้นโลกีส่วนสมข้อท้ายเป็นโลกุตระสี่ข้อแรกเรียกว่าเป็นนิพพานได้โดยปริยายคือโดยอ้อมหรือในบางแง่บางด้านส่วนข้อสุดท้ายคือนิสสารณนิโรธจึงจะเป็นนิพพาน โดยนิปริยายคือเป็นนิพพานแท้โดยตรงเต็มตามความหมายนอกจากนิโรธแล้วกัมภีปฏิสัมพิธามักยังแบ่งปรารหนะวิเวกะหรือวิเวกวิราคะและ ว, วุสักคะคือการปล่อยวางเป็นอย่างละห้าข้อเช่นเดียวกับนิโรธห้านี้ มีข้อย่อยและความหมายตรงกันทั้งหมดส่วนคำภีรุ่นอัตกาถานิยมแบ่งวิมุตเป็นหข้อมีข้อย่อยและความหมายของแต่ละข้อตรง ก, กันกับนิโรธห้าที่กล่าวมาแล้วเช่นเดียวกันขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพานอย่างที่รู้จักกันทั่วไปก็คือการแบ่งแบบมรรคผล หรือมรสีผลสีได้แก่โสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลสกัทาคามีมรกสกัทาคามีผลอนาคามีมร์อนนาคามีผลอรหัตตมรกและอรหัตตผลอย่างไรก็ดีการแบ่งแบบนี้มักพูดถึงโดยสัมพันธ์กับบุคคลผู้บรรลุจึงจะยกไปกล่าวในตอนต่อไปว่าด้วยประเภทและระดับ แห่งผู้เข้าถึงนิพพานส่วนในที่นี้ขอย้ำไม่เพียงว่ามรรคนั้นไม่ใช่นิพพานแต่เป็นเพียงขั้นตอนหรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพานนอกจากนี้มีข้อควรทราบพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่ามรรคข้อแรกคือโสดาปฏิมรรคมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทัศนะคือการเห็นเพราะเป็นการเห็นนิพพานครั้งแรก ส่วนมรึกเบื้องสูงอีกสามคือสกทาคามีมรึกอนาคามีมรึกและอารหัตมรึกมีชื่อเรียกรวมกันอีกอย่างหนึ่งว่าภาวนาคือการเจริญเพราะเป็นการเจริญในธรรมะที่โซดาปฏิมรึกเห็นไว้แล้วนั่นเอง